ดีนะปะเราฉีเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่ก่อนที่จะคบก่อนที่จะชันกับประมาณในการครบชันนองตัว เ, เองอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีค่ามากใหม่มหาศารแั้งแต่การหายใจเข้าหายใจออกหยุดหายใจก็ตายหายใจเข้าหายใจออกอากาศก็ไม่ได้ซื้อ แต่ขาดการรู้ขาดการทำความเข้าใจจะเอาตั้งแต่บุญเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวความรู้ตัวก็เลยไม่ต่อเนื่องความรู้ตัวก็มีบ้างเป็นกระท h o n กระแทน่นทำอย่างไรเราถึงจะรู้ตัวได้ต่ตื่นขึ้นมาได้ ต, ต่เกิดขณะในใจของเราเป็นอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรใจของเราเป็นกุศลหรือว่าอากุศลใจของเราเป็นบุญหรือว่าใจของเราปุงแต่งเกิดความข้างบนอะไร เราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดทำความเข้าใจโด้จักรละรู้จักดับรู้จักคลายใจออกกลับรู้ในสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นก็ยากนะพูดง่ายนิดเดียวนาทีเดียวจบแต่การลงมือการสังเกตการวิเคราะห์การทำความเข้าใจต้องอาศัยความเพียรอาศัยความต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลาจะเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการเพิ่มพูนปัญญาของเราปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาหรือว่าปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาส่วนปัญญาเก่าที่เกิดจากกิจเกิดจากขันห้าอันนี้เขาหลงมาเขาหลงมาเขาหลงมาเกิดเขามีมาแต่เดิมเรามา หยุดมาสังเกตมาวิเคราะห์มาพร่ำสอนใจของเราให้ใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงให้ใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุสนสร้างสะสมบุญบรารมีของตัวเราเองนี่วันนี้ก็มีโยมคุณโยมคุณพ่อพอนคุณแม่คุณแม่สังเลยผลสุข <c oughs> คุณพ่อจันรคุณแม่สอนชัยลัต ได้มีจิตศรัทธาได้มาช่วยซื้อบ้านน้อยหลังหนึ่งทำบุญวันเกิดของคุณสมกิจผลสุขท่านได้มีจิตศรัทธามาร่วมซื้อบ้านน้อยที่ส่วนมะลิวันหลังหนึ่ง มาไววฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินให้เป็นสมบัติของทุกคนหลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุด้วย <c oughs> หลายคนบางคนบางท่านก็มาบอกมากล่าเอาไว้ก็หลายคนหลายท่านบางคนบางท่านบางท่านกา็มีโอกาสก็ได้มาช่วยกันหลวงพ่อสั่งเอาไว้ห0สิบหลังดานี้ก็มาแล้วก็ประมาณสัก8ดหลัง ก่อนโครงการคงจะมาอีกสามหลังคงจะมาเรื่อยๆหลังละประมาณสาม0 0าพันบาทมีโอกาสจะมาร่วมก็ขอเชิญ น, นะขอเชิญหมดแล้วก็อนุโมทนาสาธุร่วมกันจะได้มีล่มเงามีที่นั่งมีที่อาศัยรอให้ต้นไม้ออกดอกออกผลให้หล่มเงามีบ้านพักบ้านอาศัย จะได้อยู่ดีมีความสุขกันทุกคนฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้กับสมุดนี่แหละคนจิตใจเป็นบุญมีโอกาสก็ได้ทำํำมีความพร้อมก็ได้ทําทํามากทําน้อยก็ฝากเอาไว้ที่ใจของเราจนกว่าทําจนกว่าจะละกิเลสใจของเราจะสะอาดหลุดพ้นไม่มีอาสะวะกิเลสอยู่ที่จิตใจของเราอืม จากภายนอกส่งถึงภายในจากภายในส่งถึงภายนอกสมมุติวิมุตต่างก็อิงอาศัยกันอยู่กายของเราก็เป็นกอนสมมุติใจของเราเป็นวิมุตต์แต่เวลานี้เขายังหลงสมมุติอยู่คือเขายังเกิดยังเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสอาจจะเป็นฝ่ายกุศลเราก็พยายามเอ้พยายามทำสำนักที่ของเราให้ดีเดี๋ยวนี้วัดเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะ ญาติโยมก็เข้ามาเยอะกันมากมายีผลที่ตามมาก็หลายสิ่งหลายอย่างก็มีขโมยขโจรเข้ามาเข้ามาแอบแฝงในวัดของเราก็มีอยู่เห็นว่าสองวันก่อนโน้นเขามา <c oughs> มาเข้ามาขโมยของในวัดเห็นว่าขโมยรถจักรยานของช่างไปจกเอาไปต่อหน้าต่อตานี่แหละมากัดเป็นแก๊งสองสามคน เห hmm. ็นเอาของไปซ่อนไว้ข้างนอกเราก็เข้ามาอีกไปเปิดดูโทรทัศน์ดูแต่ก็ไม่ใช่คนแถวเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาคงมากัดเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมาคอยดูเผอเมื่อไหลเขาก็เอาเมื่อนั่นพวกมีจิตที่เป็นเจตนาที่จะมาขโมยโดยตรงก็พวกเราก็พยายามระวังดูแลรักษาของของตัวเองบ้างนะ อย่าปากันประมาทอะไรของสำคัญก็เก็บไว้ติดตามเมื่อตามตัวไอ้คนขโมยเขาก็เจตนาที่จะมาขโมยเพิ่เมื่อไหร่เขาก็ขโมยเมื่อนั้นเพราะว่าเจตนาที่จะมาขโมยเราก็ยกให้เป็นกรรมยกให้เป็นกรรมของเขานั่นเป็จิตที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คงจะไม่มีคงจะเป็นสันดานสันดอนหรือว่า ไม่มีอยู่ไม่มีกิน <c oughs> แอ บ, บขโมยไปทั่วจับได้ทางกฎหมายก็ลงโทษจับไม่ได้เราก็ยกให้เป็นกรรมเป็นบีบกของกรรมเขายังหลงอยู่เราไม่อยากจะให้ขโมยคนขโมยเขาก็มาคอยขโมยคอยมาแอ บ, บขโมยเหมือนกับสองสามปีก่อน มาขาโมยของในวัดแทบทุกหลังขึ้นงัดขึ้นแยะหมดมาอยู่ในวัดมากินข้าวในวัดนี่แหละมานอนในวัดนี่แหละก็ไปสอบสวนอยู่ที่อุบลเป็นคนอุบลเพื่อนมาด้วยกันกินข้าวเสร็จมันก็ไปนั่งเฝ้านั่งดูใครเผลอเมื่อไหร่มันก็ขึ้นจับเพื่อนได้มันก็เลยรีบออกนอกวัดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ห้องน้ำที่โรงเรียนไปดักหลอกขึ้นรถที่ บอกรถท้องแถวที่ปากทางสงสัยมานานก็ให้คนตามไปดูก็จริงใช่จริงๆรีบเปลี่ยนเอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำที่โรงเรียนแล้วก็ไปดักขึ้นรถให้ตำรวจมาจับเอาไปสอบสวนป่าอยู่ในวัดนอนในวัดแล้วก็ไปนั่งดูหลังไหนเผลอเมื่อไหร่ก็ บอกเพื่อนให้ไปงัดไปเงี้ยอันนี้ก็มาเมื่อวันทองวันก่อนก็เหมือนกันมากันเป็นทักท้องสามคนยคงจะมานั่งดูลาดเรา อ, อยู่ตลอดเวลานั่นแหละ เ, เราก็พยายามวัดเราก็เป็นวัดเปิดเช่นด้วยอญาติโยมก็เยอะมิตราชีพก็แอบแฝงเข้ามาไม่รู้ว่าของใครหายบ้างเห็นมา โชคเอาจักรยานของช่างที่มาช่วยกันทหลังคาวิหารธรรมจักรก็พยายามค่อยๆระวังกันรักษากันเอาไวา้เราจะไปห้ามก็ไม่ได้นะขโมยมันก็คอยที่จะมาหาช่องหาโอกาสมาขโมยจิตเจตนาที่จะเป็นขโมยถ้าจับได้ก็ดี จับไม่ได้มันก็เสียความรู้สึกสําหรับบุคคลที่ยังดับความเกิดไม่ได้ละความเกิดไม่ได้อถ้าบุคคลใดที่เข้าใจในหลักใจแล้วก็เอออยากจะได้ก็เอาไปดูใจของเรามีความทุกข์มีความกังวลหรือไม่เป็นเครื่องสอบอารมณ์ได้เป็นอย่างดีอสิ่งไหนที่เรารักมากที่สุดมันมาเอาไปใจของเรามีความทุกข์หรือไม่ บางครั้งบางคราวจริงเล็กๆแน่น้อยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเสียไปเสียมากมายก็มีเราก็ต้องพยายามช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขไอ้ส่วนขโมยก็เป็นส่วนของเขาจับไม่ได้ก็ให้วิบากกรรมลงโทษถ้าจับได้ก็กฎหมายก็ลงโทษถึงวาะเวลาก็คงจะได้รับวิบากกรรมของเขาเองเราก็มาดูใจของเราแก้ไขใจของเราทาหน้าที่ของเราให้ดี อย่าไปทุกข์กับสิ่งพวกนั้นแต่เราก็ต้องดูแลรักษารับผิดชอบในส่วนที่เรามีในส่วนที่เราเป็นให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จิตของคนแต่และบุคคลก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ฝักฝ่ในบุญอยากจกสร้างบุญอยากกระทำบุญมีความอิ่มในการให้ในการเอาออกในการคลายบางคนก็ตื่นขึ้นมาก็อะไรที่จะลักขโมยได้ก็แอบทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละถึงกิจของแต่ละบุคคลถึงไม่เหมือนกันเราพยายามถ้ามีอยู่ที่ใครก็พยายามกําจัดออกให้มันหมดหลายสิ่งหลายอย่างมันประกอบกันเข้าสมมุติบังคับบ้างภาระหน้าที่เหตุการณ์บังคับสารพัดอย่างถ้าไม่เอาจริงๆเนี่ยก็ยากกับมันอยู่กิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดกิเลสในระดับของสมมุติ ความพร้อมของสมมุติบางคนบางท่านก็มีพร้อมก็ไม่ได้ลำบากพอสร้างสะสมมาดีการกระทำคามาดีมันก็เลยไม่ได้ลำบากทางสมมุติบางคนบางท่านก็ลำบากทางสมมุติเหตุการณ์บังคับคนถึงไม่เสมอภาพกันเหมือนกับที่ประเทศอินเดียที่เอาแบ่งชั้นวรณนะถ้าไปเห็นจริงๆแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้จริงๆ พวกชั้นต่ำนี่ก็อยู่กับกองขยะกองชกกระโปงจะเอาไปขึ้นสู่ที่สะอาดเขาก็ไม่เอาพวกชั้นกลางชั้นต่ำชั้นสูงถึงได้มีชนชั้นวรณะกันหมากใหม่ก็อยากอยู่บางคนก็ชอบสะอาดบางคนก็ชอบชกกระโปงบางคนก็มีระเบียบบางคนก็ไม่มีระเบียบมันก็เลยเข้ากันไม่ได้แต่บุคคลที่รักดีแล้วทามาฝึก ถึงเกิดอยู่ในคนต้ ม, มก็ทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ถึงจุดหมายปลายทางได้มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีและการกระทอยู่ปัจจุบันอีกหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันเข้าไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยปะละเลยบางคนพูด็นปากเปียกปากแฉะมันก็ไม่สนใจบางคนนี่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยหูฟังอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็รีบไปทา ให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของตัวเองหมดความสงสัยหมดความลังเลอี่มีเดินใครจะเดินให้ถึงจุดหมายไปทางให้เร็วให้ไหวนั่นแหละคนเราถึงได้สร้างอานิสงส์มาไม่เหมือนกันหลวงพ่อถึงพยายามาสร้างบุญสร้างอานิสงส์ตั้งแต่วัตถุฐานนี่แหละตั้งแต่แ น, น่น้อยเนี่ยขึ้นไปจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นการเดินปัญญาการจเจริญสติการแยกรูปแยกนามการละกิเลสอืม พอโอกาสที่จะชี้แนะแนวทางให้ก็จะชี้แนะแนวทางให้แต่พวกท่านทําไม่เดินไม่ศึกษาก็ยากที่จะเข้าใจแต่หมู่อัจงแต่จะให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนใช้การไม่ได้เราต้องสอนตัวเราเจริญสติมาพร้อมสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราสร้างกระบะบารมีให้มีให้เกิดขึ้นตัดปัญหาสิ่งต่างๆออกไปถ้าคนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันก็ยากหนักตัวเองแล้วก็เป็นหนักคนอื่น เราต้องพยายามฝึกขัดช่วยเหลือตัวเราเองให้ได้ในระดับหนึ่งมันก็ค่อยสร้างสะสมบุญบา ร, รมีไปจากในน้อยไปหามากๆจนเต็มเปรียบจนล้นถ้าคนเราขาดตกปกพร่องครั้งหนึ่งครั้งสองครั้ง3ามไม่รู้จักแก้ไขก็หมักหมมสะสมไปเรื่อยๆในหลักธรรมท่านให้แก้ไขยุคปัจจุบันไม่ให้สะสมถ้าจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาทำหน้าที่ของปัญ ด้วยสติด้วยปัญญาปิดถูกชั่วดียังไงปัญญาสติปัญญ า, ปญญาไปแก้ไขแต่เวลานี้สติปัญญามันมีน้อยนิดเพียงแค่สร้างก็ยังสร้างยากลําบากจะไปใช้ได้ยังไงจะไปวิเคราะห์ความคิดเก่าปัญญาเก่าได้ยังไงปัญญากิเลสนี่แต่ปัญญาโลกีปัญญาธรรมต้องสร้างทําความเข้าใจแล้วรู้เห็นทําความเข้าใจหมั่นพร้อมสอนใจแล้วก็มันละกิเลส ออกจากใจของเราท่นหมดจดไม่ใช่ว่าสิ่งธรรมะมาจะไม่ใช่ว่าจะมาพูดกันเล่นๆไม่ใช่ของเล่นความจริงของชีวิตกายก็ไม่รู้จักรักษาวาจาก็ไม่รู้จักรักษาไอ้เรื่องใจเรามันยิ่งยากเข้าไปอีกก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระว่ายมบชียิ่งความเจริญมาม า, มากเท่าไหร่ ปัญหาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณถ้าเราไม่รู้จักช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขมันก็ยากเรามาช่วยกันดูแลมาช่วยกันแก้ไขให้เป็นปกติธรรมดาผิดพลาดก็รีบแก้ไขผิดพลาดก็รีบแก้ไขจกมากแก่น้อยปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหามันก็เป็นปกติธรรมดาของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนเราฝึกมาดี อยู่คนเดียวก็มีความชุกอยู่หลายคนก็มีความสุขเราก็ต้องพยายามกันวันที่เกตวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนวันที่เกตตรงกับวันอาทิตย์จะได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคก็ประมาณทักส9คู่ก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมมนุโมทนาสาธุร่วมกันได้มีท่านผู้ใจบุญทางกรุงเทพท่านได้มีโอกาสได้มาปล่อยชีวิต โคแม่ลูก19คู่นี่โอกาสก็อขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันมาร่วมกันสร้างตบะบรารมีมาร่วมกันสร้างกองบุญฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้กับสมุดเป็นสมบัติของทุกคนมาช่วยกันดูแลพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็มาสารตอให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ในวันข้างหน้าเรามาอาศัยโลกอยู่มาอาศัยสมุดอยู่พยายามรีบตักตวงกองบุญกองกุศลให้เต็มที่ อ่ะดังเกละาพรกันอ่อขอให้ญาติจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้ึกรับรู้สัมผัสห้องลมหายใจเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องพวกเราก็ขาดความเพียรกันตรงนี้มากเลยทีเดียวทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจก็พักไฝ่ในบุญใจการเกิดของใจการเกิดของความคิดเขามีอยู่ตลอดเวลาเรามาสร้างความรู้ตัวเข้าไปควบคุม ควบคุมความคิดถ้าความรดตัวของเาถาถดเนื่องเราก็จะเห็นใจของเราก็จะคลายออกจากความคิดถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาตามทําความเข้าใจได้เพียงแค่การแยกรูปแยกนําการที่ใจคลายออกจากขันหานี่ก็ยากอยู่แล้วการที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องก็ยากอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆนี่ยากจริงๆทั้งที่ใจก็ปรารถนาะหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้น การเกิดของใจนั้นเขาปิดกั้นตัวเขาเองเอาไว้อีกหลายสิ่งหลายอย่างมาปิดกั้นใจของเราเอาไว้มากเลยทีเดียวกายเนื้อก็มาปิดกั้นใจของเราเอาไว้ความคิดบางครั้งก็เป็นกุศลบางอกุศลบ้างก็มาปิดกั้นใจของเราเอาไว้กิเลสอยากิเลสละเอียดที่เกิดจากใจของเราก็มาปิดกั้นตัวเขาไว้แม้แต่การเกิดของตัวใจก็ปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ถ้ากําลังสติไม่แหลมคมไม่วิเคราะห์หาเหตุหาผลจริงๆยาก ยากอยู่ถ้าบุคคลใดที่มีความเพียรความยากก็จะกลับเป็นของง่ายง่ายในการดูง่ายในการรู้ง่ายในการละง่ายในการเอาออกมันจะกลับกันจะยากสาหรับบุคคลที่ขาดความเพียรจะฝืนสาหรับบุคคลที่ฝึกใหม่ๆฝืนเพราะว่าเป็นการทวนกระแสถ้าใจคลายออกมีได้เอาออกมิจะให้ใจของเราคลายใจงเราก็จะตกกระแสทำ มีดันก็จะลั ก, กเลิออกให้มันหมดจดมันก็จะง่ายสําหรับบุคคลที่มีความเพียรยากจะกอดค่อยไปหาง่ายแต่คนทั่วไปก็มีตั้งแต่ความท้อมีตั้งแต่ความอยากอยากจะได้บุญอยากจะได้ทำอยากจะรู้ธรรมอันนี้เป็นอา น, นิสงส์เป็นธบะบารมีอยู่ในระดับของโลกีขคงสมมุติแต่ถ้าเราเข้าใจสมมุติกับวิมุติเขาก็อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างป่ายต่างอิงอาศัยกันอยู่ ก็ใจมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เขาหลงมาเกิดในภพมนุษย์ถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆเราก็ว่าเราไม่หลงถ้าเราไม่ได้เจริญสติให้ต่อเนื่องเราก็ว่าเรามีสติมีปัญญามันก็มีกันทุกคนแต่เป็นสติปัญญาของโลกีของสมมุติเราก็ต้องพยายามนะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องนั่งอยู่คนเดียว ก็ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทําใจให้ลงให้ปร่งไม่ต้องไปกังวลอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปพิจารณาอะไรด้วยขณะที่เราสร้างความรู้ตัวสร้างความรูร้ความรู้สัมผัสทางลมหายใจให้ชัดเจนอ่ปาปักกันไว้พื่พร้อมๆกันค่อยไปศึกษาค้นคว้าต่อนะ